Sala, tayo damma ku sala, dasa damma akusala, dasa dam.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 คิดได้ไม่มีจำกัดไม่หวงว่าเอ๊ะทำไมคนมาผลิตเอาบุญในโรงงานที่เราสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมากผิดปกติเนี่ยไม่หวงตรงนี้เนี่ยนยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดูจากสภาพจิตใจที่เป็นไปกับกุศล ฉะนั้นถ้าหากสภาพจิตใจที่เป็นไปก็กุศลเนี่ยเขาบอกว่าจิตเจตสิกเนี่ยนะที่เป็นไปในด้านของกายปสัสสธิจิตตปสัสสติเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยกายปสัสสติจิตตปสัสสธิเนี่ยกายะระหูตาจิตตะระหุตากายะมุรุตาจิตตะมุรุตาใช่ไหมกายะกรรมญตาจิตตกรรมญตา กายปาคุณญตาจิตตาปาคุณญตากายุชุกตาจิตตุชุกตานเนี่ยหกคู่หกคู่เหล่านี้ยถ้าสังเกตดูกุศลดูตรงเนี้ยดูสภาพใจดูอย่างเนี้ยเขาจะไปทําปฏิกิริยาแห่งการที่ว่าคือจิตเจรสิกเนี่ยที่ขาดที่ขาดกายปาสธิจิตตาปัสติเนี่ยก็แปลว่าจิตมันไม่สงบจิตที่มันไม่สงบ ถามว่าธรรมชาติจิตที่ไม่สงบเป็นยังไงก็คือเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรอุทธจากใช่ไหมถ้าหากจิตนี่นะมีอุทธจักเป็นประธานเมื่อไหร่นะอกุศลมาเป็นอุทธจากเป็นประธานเมื่อไหร่สภาพจิตไม่สงบมันเล่าร้อนจิตที่มันเร่าร้อน อันนี้คือการตรวจสอบไงเวลาเราจะเจริญทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลเนี่ยตรวจสอบจิตใจดูตรงนั้นว่าเร่าร้อนไหมถ้ามันเร่าร้อนนี่บ่งบอกเลยว่าอุทธจัจนี่นะธรรมชาติที่ทำให้ความเร่าร้อนของจิตและเจสิกเนี่ยมันสงบเย็นไม่ได้ก็แปลว่าสองดวงเกิดไม่ได้ไม่มีอะไร ไม่มีความสงบของจิตและเจตสิกไม่มีความสงบตรงนั้นท่านเลยบอกว่าถ้ากายปสัสสธิจิตตปสัสสติเนี่ยนะอ่อนกำลังเนะี่ยแผ่ไปนะไม่สามารถที่จะเป็นไปในกุศลได้ใจก็หลุดออกจากกุศลเหมือนอะไร เหมือนปลาที่วางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนท่านว่างั้นมันดิ้นไหมมันไม่สงบมันดิ้นเอาปลาเป็นๆไปวางไว้บนแผ่นกระดานแผ่นหินที่ร้อนเนี่ยมันดิ้นไหมมันดิ้นแล้วตอนนั้นใจของคนที่ไม่เป็นไปกุอกสนเนี่ยมันดิ้นอย่างงั้นแหละมันดิ้นเหมือนปลามันร้อนมันมันร้อนมันในที่ต้องเข้าใจนะมันกวนกวาดไม่อยู่นิ่งหรอก ใครเป็นอย่างนี้บ้างถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าอุทธะจะเป็นประธานและตอนนั้นเนี่ยลองสังเกตใจไปเรื่อยๆนะถ้าเราเจริญกุศลเนี่ยแม้ฟังทรรมในขณะนี้นะถ้าถ้าอุทธะจะกุกุจจานี่นะอุทธจจะเป็นประธานของจิตเจสิกเนะตอนนั้นแปลว่าจิตมันร้อนเหมือนปลาวางไว้บนแผ่นหินที่ร้อน ถ้าหากจิตเยสิกนี้มีกําลังถ้าสงบลงได้เนี่ยนะมันก็เกิดความสบายใจในกุศลธรรมเหมือนอะไรเหมือนกับปลาที่เอาไปไว้ในน้ํำเย็นๆเขาเย็นใจเขาไหมเขาจะชื่นใจเขาจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นนี่ก็คือสภาพที่บอกว่าสภาพธรรมที่ทําให้ความเร่าร้อนของจิตเยสิกสงบเย็นและความสงบเย็น ความเร่าร้อนของจิตและเจตสิกคือสภาพธรรมที่กําจัดความเร่าร้อนได้คือเป็นกิจจาระสะของเขาถ้าอาการปรากรดก็คือสภาพธรรมที่สงบเย็นจิตและเจตความไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวก็เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอุทจจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้จิตเจตสิกเกิดความไม่สงบทำกายปสัสสติจิตปสัสสติหมู่เจตสิกขันสาก็หมู่เวทนาขัน สัญญาขันสังขารละขันคําว่าจิตจิต ป, ปัจจิตที่ได้แก่วิญญาณขันเนี่ยทําให้เร่าร้อนเพราะอุทะจะเป็นปะธาเพราะอุตอุทจะเป็นประธานแต่ถ้าสงบอุทะจะได้เป็นความสงบเย็นเขาเรียกกายปะปัสธิจิตะปัสจิที่ถ้าเราหูตาละ่ะเาบ า, เ า, บาแล้วว่องไวไหมว่องไว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 อา้าวตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอ่ะอะไรมาเป็นประธานของจิตเข้าถีนามิท้าเนี่ยทำให้จิตหนักทำให้จิตหนักนั้นใครที่เกิดถีนามิท้าก็หนักอยู่งั้นะหนักเหมือนแบกอะไรอย่างเ้ยเนี่ยหนักเป็นไหมนั่นแหละสภาพหนักเนี่ยแล้ว แล้วสภาพจิตที่หนักเนี่ยนก็เหมือนดอกไม้วางไว้บนแผ่นหินที่ที่ร้อนเหี่ยวไหมเหี่ยวเฉาหงอยอย่างนั้นแหละหงอยเป็นนกเจ็บเจริญกุศลยังไงร่นหน้าตาก็ไม่ชื่นบานไม่ผ่องใสรกฮะก็นั่งเรียนกุศลก็เรียนแบบหน้าเศร้าๆางนั้นนะเคยเคยเป็นไหมหน้าเศร้าๆ ไม่รู้เศร้าอะไรกันนะขนาดเนี่ยนะเศราสร้อยมากไม่เป็นเลยยอมเจ้ามีสองอย่างอย่างนี้ก็เรื่องจิตมันหนักมีสองอย่างนะถ้าไม่หนักก็ฟุง้งอยู่งั้นแนตะ่ไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ไหมแก้สมาธิเอาสมาธิมาแก้ก็หลับ พาะเป็นมิจฉาสมาธิยังไงไอ้ท่านว่าเอาถ้าพยายามจะกระตุ้นไม่ให้มันหงอยๆอยก็ฟงแก่ยากจริงๆใช่ไหมเพราะเราก็ใช้อากุศลแก้อากุศลเป็นงั้นแหละแล้วอย่างเงี้ยต่อให้ตั้งโรงงานใหญ่เฉพาะหน้าจะผลิตบุญได้ไหมไม่ได้บุญไม่ออกอา้าวไปร่วมเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โพธิยาลัไก็ไปนั่งง่อยๆมายื้เนี่ยนะเขากล่าวคำถวายก็ไปกล่าวกับเขาไปเบ็ดเสร็จก็ได้บุญแล้วก็มาหง่อยต่อเนี่ยนะไม่ได้คือคือกุศลมันได้แวบเดียวแวบเดียวนะเขาบาปกระแซกบาปกระแทกนี่จิตมันหนักเนาะส่วนจิตเจสิกเนี่ยที่มีกำลังแรงนะก็แผ่ไปในกุศลธรรมเหมือนอะไรเหมือนดอกบัว ดอกบัวใส่ไว้ในน้ําที่เย็นๆนั้นเป็นไงดอกบัวเป็นไงอเออนั่นแหละก็สดชื่นตรงนั้นแหละตรงนี้ก็คือไปพิปจารณาสภาพที่กําจัดความหนักของจิตเจตสิกเป็นต้นได้ก็คืออาการปรากฏก็คือว่าไม่หนักไม่เชื่องช้าเลยนะเบาและ ว, ว่องไวและก็จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีระหูตานะ่กายยะรหุตาจิตต่ระหุตา มูทุตาเนี่ก็แปลวมูทุนี่แปลว่าอ่อนเนอะอ่อนทำให้ความแข็งกระด้างของจิตเจสิกสงบเย็นได้และความสงบเย็นก็องจิตเจสิกอะไรทำให้จิตแข็งกระด้างกีเดตอะไรเออใช่ทิศธีกับมานะใครมีไม่ทิศทีมานะเนี่ยนี่แหละเสภาเปนแข็งมันมันแข็งนะมันหนักมากเพราะว่ามันแข็งกระด้างในกุศลธรรม ท, ทั้งหลาย คือถ้าหันเนี่ยถ้หาหันกล้าเวลาอยู่เผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยเขาเขาข้ามหันกันไหมเขาแข็งไหมแข็งกระด้างเะนั้นกรณีที่จิตเนี่ยนะพวกมีทิฏฐิมนานะเนี่ยเขาจะแข็งใสกุศลเขาไม่ยอมงองให้กุศลเลยเห็นกุศลเนี่ยเขาโอ้โหไม่ยอมอยังไงก็ไม่ยอมมุมไหนก็ไม่ยอม เขาจะแถไปทุกเรื่องเนี่ยนะเพราะว่าเขาเขาแข็งอ่ะถ้าเป็นกุศล่ะถ้าเป็นทานนกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยเขาแถัดไปได้ทุกเรื่องอะเพราะเขาแข็งเข้าใจไหมเขามีมานะจัดแล้วก็มีที่ตีกล้าเหมือนทหารกล้าเขาเขาเขียนว่ากุศลเนี่ยสิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยเขาไปเชิญหน้ากับศัตรูเขาคนที่มีที่ตีมานะเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เขามิยอมถอยจากวงล้อมจากศัตรู แต่ถ้าทหารกล้ากลับมาอยู่ในวงล้อมของหมู่ญาติันเป็นที่รักอ่ะทหารกล้าอ่อนโยนไหมอเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นที่มีมุทุตาเนะกายเย่กายามุทุตาจิตตามุทุตานะความอ่อนจิตเจสิกเนี่ยก็เหมือนทหารกล้าอยู่ในวงล้อมของญาติันเป็นที่รักเขาจะมีความอ่อนโยนเนี่ยเขาจะอ่อนโยนในกุศล ฉะนั้นสังเกตว่าถ้าใจเราอ่อนโยนต่อทานกนะุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนี่ใช่แล้วอันนี้ใช่กุศลแน่ๆ แ, แต่ถ้าไปเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศ ล, ศลใครใครไปทําทานเฮ้ยคนคนนี้มัชอบคิดหน้าอะไรมันเนี่ยไม่อ๋อแล้วเห็นไหมทั้งๆที่เขาทาบุญแท้ๆเนี่ยเอาแล้วแซงทำเหมือนเอาไตใหญ่เลยนะที่แทนที่จะได้บุญเคยเป็นไม่ยอมแกเอ๋อ เอาหน้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรก็ไปใหญ่เลยตอนเนี้ยอทําไมทําทําใหญ่ยัง้งเราไปาใหญ่เลยตอนเนี้ย ไ, ไม่ไปดูแล้วไปตรวจสอบดูแล้วไม่จริงใจอะไรหรอกโอ้ไปใหญ่เล้นี่ย <c oughs> อ๋อนี่เป็นแท้มีอะไรมากแท้ที่จริงเนี่ย เขาไปเอาบุญเหมือนคนไปอินเดียเนี่ยโหรับไม่ได้รับไม่ได้อะไรสอกกระปบมาดนะูเขาให้ไปเจริญบุญไปผลิตแรนงานลงบุญ ไ, ไปทำไมยจะไม่ไปทำอย่างนั้นเนออี่ยไปดูแล้วไม่ได้บุญกลับมาไม่รู้ไปได้อะไรไม่รู้เนี่ย จิตเจตสิทธมันหนักนะั้นเป็นความแข็งกระด้างสภาพที่กําจัดความแข็งกระด้างเจยได้เนี่ยจิตของกุศลที่เป็นมูทุตานี่เนะ่ความอ่อนนี่นะถ้าจิตแข็งจะถูกกําจัดถูกกําจัดเขาจะกำจัดทิฏฐิมานะแล้วก็กําจั ด, แ ข, จดแข็งก็กําจัดแข็งก็กําจัดมันจะอ่อนไหมอ่อนกุศลแต่มันจะแข็งกับอกุศลนะเออจะเป็นอย่างนี้นะถ้ า, ากุศลนี่ไม่ไม่เลย แต่ถ้ากุศลนี่จะอ่อนโยนมากอา่ถามบอกว่าถ้าหานอยู่ในหมูองค์ของญาติเนี่ยให้ฆ่าญาติตัวเองเอาไหมไม่เอาเขาไม่ทําหรอกเหมือนกันนี่เหมือนกั น, นก็นจะอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่ามีใครจะมาทําร้ายญาติเขาก็ป้องกันไหมนี่เป็นอย่างเนี้ยด้านของสภาพควากุศลจะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตใจเราจะเป็นแบบนี้เอาใครเคยเป็นสังเกตใจกันอย่างนี้ไหมต้องเจาะเข้าไปดูฐานความคิดอย่างนี้เลยใช่ไหม ในขั้นตอนีเจริญกุศลถ้าไม่เจาะไม่วิจัยไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้บุญมันเกิดเกิดแบบเนี้ยเราก็สังเกตเดินจิตในลักษณะอย่า ง, นนะงนานาเนี้ยนะงั้นเทติมานะเนี่ยจึงเป็นประธานทําให้จิตเจสิ่นั้นนะ่ะความเบาก็คือความไม่หนักความไม่หนักอกุศลจิตนี่หนักไหมเพราะมีโมหะประกอบไงคือ ถ้าใช้คำหนักๆ ก, ก็บอกว่าถ้าโมหะเป็นประธานของจิตแล้วมันกระบฏต่อความดีกระบฏต่อความดีมุทุตาก็เป็นความอ่อนเพราะไม่กระบฏความดีมกไ็ไม่กระบฏต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่กระบฏต่อพระุทธเจ้านั่นเป็นความเบาของธรรมเนี่ยนะความเบาของธรรมนี่จิตเจริสิกที่เกี่ยวกันในเรื่องของควรนาะเหมาะเนะ ก็แปลว่าไงเนี่ยกรรมมัญญาเนี่ยกรร ม, มัญญะก็คือควรนี่ยนะสภาพที่ทําให้ความไม่ควรในการงานที่ดีของจิตเจเจสิกคืออะไรกําจัดนะเขาสภาพที่เขาสงบได้สงบความไม่ควรของจิตใจเจสิกได้กําจัดความไม่ควรได้เขากําจัดความไม่ควรของจิตเจสิกได้ถ้าจิตเจสิกที่มีกรร ม, มัญญาตาเนี่ยนะก็อ่อนกําลัง ที่ถ้าไม่มีนะมันอ่อนไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ในกุศลได้ตามปาฏิหาปลิวไปมันจะปลิวไปเหมือนกับเขาเหมือนเหมือนกับกแกลบหรือเหมือนกับลำมันนะที่เขาคว้างไปทวนหล่อมมันมันปลิวหายไปหมดเลยนั้นธรรมชาติที่ให้สังเกตว่าคนบางคนน่ยตั้งอยู่ในฐานในกุศลตั้งได้แป๊บเดียวมันปลิวหายไปแล้วตั้งปุ๊บก็บปลิวไปแล้วเอาใครระ ล, ลึกได้เป็นงนั้นไหมมันปลิวบ่อยไหม พอแล้วลึกปุ๊บเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ฐานในที่ตั้งแห่งการเจริญบุญไปผลิตฐานไว้แล้วเนี่ยนะอ้าวสมมติเนี่ยไม่สมมุติเรื่องจริงเนี่ยอันนี้มาถวายแลยใช่ไหมยาย า, ยาเนี่ยแกเจ็บคอเนี่ยถวายถวายปุบพอพอตั้งโรงงานนี้ปุ๊บอา่ามันมันมันตั้งได้แป๊บเดียวอย่างนี้สมมตินะแป๊บเดียวเนี่ยมปิวหายไปแล้ว เหมือนกับโยนแกบทวนลมไม่หายเลยไมหายไปไหนเนี่ยนึกไม่ออกเนี่ยนะบางที่ลืมด้วยใช่ไหมตามเลยลึกไม่ได้ย้อนเลยลึกก็ไม่ได้จําไม่ได้คิดก็ไม่ออกั่นเปื่อเลือนเนี่เนี่ยนี่หายไปแล้วอันนี้หายไปแล้วเงี้ยนี่ยเองเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติอย่างงี้เขาเรียกมันไม่เหมาะมันไม่สามารถตั้งใดในกุศลได้ตามปรารถนามันไม่เหมือนกับแท่งทองนะแท่งทอนโยนทวนลมเนี่ยมันทวนไปได้จริงๆนะแล้วแล้วก็ไปตกทวนลมได้จริงจด้วยไม่ปลิวหายไปด้วยยังเห็นอยู่นั่นแหละ โยนไปทวนลมปุ้มันก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมแท่งทองก็เห็นเป็นแท่งทองอยู่นั่นเลยลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเหมาะเหมาะคือสามารถตั้งได้ไดในกุศลได้นานนะตั้งได้แล้วกำจัดกาจัดความปลิวความไม่ควรไดนะ้นี่เป็นความสมบูรณ์ของจิตและเจตสิกเกิดขึ้นก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าปาคุณยะ ปรคุณยะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยสภาพที่ไม่ป่วยไข้ไม่เสียดแทงนะฮะนั่นแหละจิตที่ไม่คล่องคืออย่างนี้เข้าใจเอามาเนี่ยต้องการพูดโดยอัตถะศับเนี่ยก็คือหมายความว่าคือคนไข้เนี่ยเขาเดินคล่องไหมฉะนั้นกลุ่มนิวรนทั้งหลายเนี่ยนะ ภุ่มนิวร์ทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะมันเป็นความป่วยไข้ของจิตนะนะความป่วยไข้ของจิตฉะนั้นกิเลสเนี่ยนะนะความไม่เชื่อความไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมใช่ไห ม, ไ ม, มนนไม่เชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าไม่เชื่อมั่นในคุณของพระธรรมไม่เชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์ก็แปลว่าจิตมันป่วย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 ถอดไม่ได้ไปสอนหนังสือก็เสียบสายน้ำเกลือไปเข้าใจมเอาใครที่เป็นนักสอนทั้งหลายเนี่ยเสียบสายน้ำเกลือเสียบสายน้ำเกลือเออดีั้งนั้ น, เ, นเสียบนั่นแหละใช่ไหมเอาแล้วตอนตอนสอนก็ต้องสังเกตไปด้วยน้ำเกลือไหลไหม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 ท่านในขณะที่เราไม่รักษาโรค ก, ก่อนใช่ไหมก็นั่นแหละพระธรรมของพระาศาสดานั่นแหละคือยาพระบรมศาสดาละคือหมอเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เอามาปัญญาธรรมเนี่ยมาต้องเสียบสายน้ำเกลือไหมต้องเสียบถ้าตอนไหนถอดออกมามีอาการนั่นเนะี่ยเพราะมาเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีอย่างเงี้เอามาก็อาการไม่ค่อยดีเออประหลาดตรงนี้ว่ต้องเสียบสายน้ําเกลือมาสอนนี่ไหมเอามาก็ต้องลําบากกันใช่ไหม เนี่ยจะได้เห็นความพลุงพลังเข้ามาว่าอามาก็ต้องเสียบสายน้ำเกลือมาสอนแต่ถือให้พระธรรมราดร้ในใจตลอดถ้าอย่างนั้นอนะ่ะผิดพลาดขึ้นมาก็นั่งฟังธรรมอยู่ ด, ดีเดี๋ยวละไรทิฏฐิมานะเกินอีกแล้วจะแค่ไหนวะอะไรไปอะไรแต่เนี้ยอะไรแต่เนี้ยบางทีอามาก็มีคิดเนี่ยบางครั้งนเนี่ยนะถามอยู่ได้แค่ไหนว่าเออมานะเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเนีก็ต้องมาสมมตินเนี่ยก็เกิดใช่ไหมต้องระวังไหม ต้องระวังเพราะถ้าเราต้องมาเจริญบุญเนี่ยเรามาเจริญบุญถ้าให้บาปเกิดก็ยุ่งเลยทียนี้ต้องไม่ให้บาปเกิดทีดนี้ถ้าหากว่าเป็นปาคุณ ญ, ญาเนี่ยแปลวคล่องแค่วไหมมันหายป่วยแล้วแต่นี้ยคนหายป่วยก็เดินเร็วขึ้นไหมเดินรวยขึ้นกินอาหารได้อะไรได้เอา้าถ้าใครอยากจะรู้ว่าจิตเราป่วยหรือไม่ป่วยนะ เอาจะให้ยอมแก้วภารลนาทานกุศลอา้าวภาลนาถ้าจิตไม่ป่วยจะต้องคล่องเลยอ่ะนไหมเอาปลาลบทานนะ่ะเอาอาคารก็ได้ที่ตะวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปอาคารเห็นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยรูปอาคารเนี่ยเนี่ยพอี่ยาลายนะนี่นมเห็นอาคารอย่างงี้เลยเมื่อวานได้ข่าวไปยังไม่ยอมแก้วอา้าวลองทิศไม่ได้ไปเลย อ๋อไม่ได้ไปอ๋อยอมดรดาเนี่ยเอาไม่ได้ไปโอ้ออดดอโหไม่ถ้ายอมบวัดไม่นั่นเดี๋ยวประธานเขาพิจารณาก่อนน <laughs> อ๋อใช่ไหมคือถ้าถ้าคล่องนี่นะแปลว่าจิตไม่ป่วยจิตไม่ค่อยป่วยอันนี้จริงจริงนะ พอมองครับแต่บางคนอาจจะพูดมาไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมวันนี้คขอยังช่วยจะไปคิดในใจอ๋อให้สอบข้อเขียนนิดค่อเยอะเนอะจริงจริงน่าทำนะลองดูไหมพรุ่งนี้ขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ย ก็ใช่สิอยากจะดูจังใช่ไหมลองทําการบ้านหน่อยไหมลองเล่นเขียนมาให้มาดูหน่อยว่าเราจะปารบเป็นทานกุศลอย่างไงเนี่ยเออปลารบสีปารบเสียงปลารบกลิ่นปารบรสปารบสัมผัสปารบทานตามมารมณ์ใช่ไหมอันนี้ชื่อว่าให้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อาคารถ้าด้านของพระสูตรที่อยู่อาศัย<า>ใช่ไหมถวายแกพระรัตนตรยัย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 ่อยูก็เหมือนกันกันกบพระวินัยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคแต่ น, นี้ไปอยู่ในประเภทที่อยู่บใช่ไหมในยะของพระสูตรพระวินัยแต่ถ้านในยะของอวิธรรมก็แยกเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผลผละแล้วก็เป็นธ ร, รมมาลมทั้งหลายทีนี้ทานเจตนาเราก็รู้เนี่ยนี่แก่เจตนาที่ประกอบกับมาหากุศลจิตุบาทใช่ไหมทานเจตนาที่เป็นมาหากุศลจิตุบาท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 ทำบุญเจตนาทั้งหลายต่างๆให้เดินไปเป็นตามลําดับอโลภะก็มาเป็นประธานทําลายโลภะเป็นระยะระยะเห็นสมบัติเห็นภาวะสัมปัติและภาวะวิภาวะสัมปติปัจจุปฐานนะปรากฏเกิดขึ้นในใจเลยเห็นความสมบูรณ์แห่งภพชาติและจะได้เป็นปัจจัยเก่การสิ้นภพชาติเป็นอาการปรากฏเห็นเลใช่ไหมเพราะทำที่ทําที่ ท, ทําลายาการกสลทรงทํำลายก็คือโลภะ ทำที่ทา น, นกุศลอนุญาอนุญาตให้เกิดขึ้นก็คืออโลภาก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นนะเข้านะเข้าก็คือทำลายไหมตัวอโลพะเจตันอโลภาทานก็เริ่มชัดเจนขึ้นใช่ไหมเป็นกุศลที่เด่นชัดขึ้นในกระแสะใจน้อมถวายเป็นศรัทธาทานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเลยนี่ก็เป็นไปตามลำดับทางนี้ก็ต่อสัุริสทานห้าก็ได้ใช่ไหมจากการตาลบอย่างเนี้ย ปารบสีปารบกลิ่นเสียงกลิ ens, ล่นรสสัมผ e ัสทำอารมณ์ไปเสร็จก็เออเป็นสัพปริสถานห้าประการยังไงเป็นศรัทธาทานยังไงเป็นสักกัดจทานยังไงที่เราน้อมเอามาน้อมทีหลังก็เป็นได้นะเป็นอบบาราเจตนาทานโอ้โหได้เป็นห้าหน้าหกหน้าสิบหน้าเลยอา่านแล้วชื่นใจเลยดีไหมอื่นหน้าธรรมเพราะเป็นหน้าบันทึกอยู่แล้วใช่ไหม ต้องมันทึกให้ดีทำกรรมพวกนี้ไว้เยอะใช่ไหมให้นักเรียนทำการบ้านเยอะเดี๋ยวลองดูดีไหมใช่ไหมเพราะว่าพรรณาแล้วเราก็มาใข่ควรอ่านเลยเอามาอ่านพอมาเบเสร็จก็มานั่งอ่านดีไหมอ่านของใคร อามาอ่านหนังสือเร็วเดี๋ยวอ่านปุ๊บปุ๊บ ป, ป, ปให้ฟังเลยใช่ไหมอย่าลืมลงชื่อด้วยเดีย๋ยวพสลับะถ้าอย่างนี้ต่อไปคิดได้ทุกคนเลยถ้าจะลึกอย่างเนี้ยเพราะเพราะจะต้องไปนั่งตรึกใช่ไหมนั่งตรึกแล้วคาว้ควรแล้วก็เขียนในกระดาษเขียนว่าใครเป็นนักเขียนนิสัยเลยนี่ยบางคนจะจะพูดออกมาไม่ค่อยได้นะตรึกได้ใช่ไหมแต่เขียนได้เขียนมีเวลาคิดใช่ไหม เขียนปุ๊บ๊บบบแล้วก็นั่งนึกโอ้แทบเดี๋ยวก็เสร็จได้ยิ่งคนคิดเร็วๆได้แลไม่ถึงสิบนาทีสิบ้านาทีนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอรู้เดี๋ยวอยู่ที่ไหนเออได้ข่าวสัปเหปร่สถานอภิการเสร็จเราแล้วได้ข่าวว่โอ้นี้รูปประทานาานางสัทธาท่านนางกันทา่าล้วสาโพธิ์สภาธรรมาเสร็จเราแล้วยูว่ไปเสร็จเลยคือ <c ười> ถ้าหากสภาพจิตที่คล่องแคล่วเนี่ยนะก็ <c ười> ถ้าไม่คล่องแคล่วก็จะหวั่นไหวในกุศล เอางี้เอาจับลิงอ่ะจับลิงโยนลงในน้ำเขาเขาเขากลัวน้ำไห ม, ไมกลัวมากนะลิงเนี่ยลิงนี่กลัวน้ำเขาหวั่นไหวมากเขารีบตะลีตะเหลือกร้องเลยนี่ก็เหมือนกันนะ่นะถ้าปาคุญญาตาเนี่ยนะมีกำลังแรงก็เหมือนกับว่าย่อมไม่หวั่นไหวในกุศลธรรมเนี่ยนะนะ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 คนที่ไม่มีปาคุญญาตาเนี่ยจะคล่องบาปมากพูดให้เป็นบาปกาค็คล่องทำให้เป็นบาปก็คล่องคิดให้เป็นบาปก็คล่องคืนตั้งคืนคิดบาปได้คล่องมากเอ้าเราคล่องบุญหรือคล่องบาปคล่องแคล่วมากเนี่ยเ้าเรียกจิตจิตป่วยจิตป่วยต้องรักษาอาการหนัก <laughs> อาการหนักจิตหนักอาการน ยาววัดหนักไหมระการหนักเลยนะโอ้ไม่นิดแล้วไม่นิดเลยไม่นิดเล ย, เลย <c oughs> ตรงนี้ก็คือเพิ่งพยายามเนี่ยต้องหาหมอแล้วต้องหาหมอ <c oughs> พระเจ้าเป็นหมอนะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสุดท้ายก็คืออุชุกตาเนี่ยซื่อตรงซื่อตรงในที่นั้นก็คือว่าไม่คดงอ ไม่คดงอไม่คดงอในที่นั้นคือก ำ, กำจัดความคดงอของจิตและเจตสิกได้ตรงนี้ก็คือโดยอาฏาทฤรงีสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะอะไรคือความคดงอของจิตมายาสาเถยยะอว้อวดพวกเนี้นะทำให้จิตเจตสิกคดแล้วก็งออกุโสละขันเป็นไปด้วยความว่าหลอกลวงปิดโทษที่ไม่มีในตน น, นนะนะ ปิดตนเองมีโทษอยู่ก็ปิดแล้วก็ความคดโกงที่แสดงคุณที่ไม่มีจริงในตนว่าตนมีคุณเช่ชนศีลไม่มีก็แสดงตนก็มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีก็แสดงว่ามีเช่นทานกุศลไม่มีแล้วแต่ไปบอกโอ้ยเราให้ทานมาเยอะให้ทานทั้งจริงทานกุศลไม่มีทานกุศลเป็นตัวเจตนาและตัววัตถุ เ, เอาเจตนาเป็นประธานนะแต่วัตถุต้องเกี่ยวข้องด้วยนะ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 ลักษณะมายานันนเจ้าเลอ่อาธกถาท่านใช้คำว่าเจ้าเล่มีลักษณะปิดบังโทษที่ตนกระทาแล้วสาทยาโออวดมีแสดงคุณที่ไม่มีในตนก็ดีหมู่กิเลส ท, ที่เกิดจากมายาและสาทยานั้นก็ดีเชื่อามายาสาทยะในพระอภิธรรมก็ดีในวิสุทธิมรรคท่านแสดง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 ปาคุ ญ, ญาตาซื่อตรงก็เพราะจิตตูชุกตาเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงแสดงแยกธรรมนั้นออกเป็นคู่ๆเป็นกายปสัสสธิจิตตาปัสสติเป็นต้นเนี่ยนะท่านจัดแยกฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็มาพิจารณานี่คือสภาพของกุศลที่เกิดขึ้นในการปารบทานในกุศลนี่เราจะสังเกตนะนะ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 ดรังสีออกมาด้วยอำนาจของพยานทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยอยู่ก็ผลักดันทำให้พยานของพระบรมศาสดานั้นที่ตั้งอยู่ที่หาทัยวตถุเนี่ยไมทำหาทัยวตถุให้ผ่องใสมหมาพุถุลูกก็ผ่องใสทั้งมหมาปุถรลูปและอุปาทิยลูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิจเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเป็นต้นเหล่านั้นก็ผ่องใส พระสมีต่างๆของพระบรมศาสดาผ่องใสด้วยสัพพัญญุตญาณด้วยพระคุณอย่างมากมายเช่นนี้เดีย <c> ว <oughs> มะ พ, พิจารณาอย่างนี้ก็น้อมเราจะนำผ้าผืนนี้ไปถวายสักการะบูชาพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้อนอันเนี้ยนะก็ น, น้อมถือผ้าพนมมือเดินไปเป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมที่เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรดี กายกรรมเป็นไรเดินไปปาลบไปด้วยกายกรรมเป็นเป็นทา น, นกุศลเออเรียกบุคคลอื่นท่านทั้งหลายไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเรามีผ้าสีทองไปห่มพระวรากายของพระศาสดาที่มีสีทองที่เกิดจากพระยานที่ผ่องใสใช่ไม วจีกรรมเป็น ม, า, มาเป็นทานกุศลคิดด้วยจิตใจอย่างเดียวไม่ทํากายวาจ่ายขยับกระเยือนเคลื่อนไหวอันนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลไปแล้วนะกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นไปตามลําดับบอกว่าเรานี่เป็น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 อา้าเห็นคนก็ประกาศบอกท่านทั้งหลายวงตระกูลของเราใช่ไมเชื้อสายของเราเราเป็นบุตรของพระู้ทธภาคเจ้าเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้เมียภาคเจ้าถึงเทศกาลแล้วถึงเวลาแล้วเราท่านทั้งหลายไปบูชาพวจีกรรมเป็นอะไรเป็นศีลกุศลใช่ไหม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 เกิดความคล่องแคล่วในบุญกุศลทั้งหลายเนาะมาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของเราไปเป็นไปอยู่ในขนาด น, านั้นเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลโอ้โ oh, ห oh, นี่ได้แล้วเอาละศีลเนี้ไปแล้วตอเนี้ยพิจารณาต่อไหม <No. S 1> ถ้าพิจารณาต่อก็พิจารณาเดินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยในขณะเดินไปใคร่ควรพิจารณาไปเอ๊ รูปขันที่เป็นไปแห่งการกำลังเดินสั ก, การะบูชาวนไปอยู่เนี่ยนะเอ้ยมันก็แตกดับไปทุกขณะเหมือนกันนาะเนี่ยเออรูปขันที่ผ่านมายืนอยู่ตรงนั้นมันก็หายไปแล้วรูปขันรูปกายทั้งหลายมันก็กําลังเคลื่อนไหวเป็นไปมาตามลําดับอย่างเงี้ยมันมีความไม่เที่ยงเสื่อมไปเป็นตามลําดับไหมมันเกิดจากเหตุปัจจัยก็ใคร ค, ควรมาตาวลาดับก่อนเนะ วโรปขันวโรปกายส่วนเนี้ยมันมาจากอาวิชาตระหกรรมในอดีตกรรมะเชรูปเหล่านี้ใช่ไหมมันเป็นผลแม้แต่นามาทำทั้งหลายที่เป็นผวังเป็นต้นเวทนาได้ประกอบกับนามาทำทั้งหลายที่เป็นไปเหล่านั้นเป็นต้นที่อาศัยอัตยวัตถุที่เป็นกรรมะเชรูปเป็นไปอยู่ใช่ไหมซึ่งเป็นเป็นสมบัติของบุญที่ได้มาเพราะบุญเหล่าเนี้ยกําลังดําเนินไปอยู่ แล้วก็เป็นที่ตั้งของทานกุศลนเจตนาทานเนเจตนาศีลเป็นต้นเป็นไปตามลำดับเหล่านี้โอ้มันมาจากอาวิชาตัญหากรรมในดีต่างๆเหล่านี้ตอนนี้กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมาจากเขตมาจากปัจจัยมันคือรูปนามนั่นเองราั้น็คือรูปนามเป็นไปไปต า, ตามลำดับ ไอ้รูปนามเนี่ยอวิชาตัญหากรรมไม่เที่ยงแล้วก็ผลของอวิชาตัญหากรรมจกเที่ยงแต่ที่ไหนแม้ในการขยับยืนเดินนั่งไปต้นเป็นไปตามลำดับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขนาดเป็นต้นด้วยแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดินไปแล้วใขรควรไปด้วยเงี้ยกายกรรมเป็นเป็นภาวนากุศลแล้วโอ้ยแล้วจะพาลลานาได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นห้าสิบหน้าละมั้งเนี่ยดี่ออมาว่ามาเนี่ย สสัยพวกนี้เอามาคงได้อ่านสบายใจอะไรตัวนี้ใช่ไหมใช่เอาสวดต่ออีตีปิโสพกวารังสัมมาเป็นต้นไปตามลำดับใช่ไหมปอพิจารณาเป็นไปตามลำดับใช่ไหมเวทีกรรมที่เปล่งไปต่างๆเหล่านี้มันมาจากจิตเป็นปัจจัยเนาะ โอ้จิต ท, ที่คิดเป็นปัจจัย ก, การเปล่งและการกล่าวเนี่ยจิตชวายโยธาเนี่ยนะเป็นไปเบียดเสร็จก็คือมหาพูทลูปนี่อะไรที่เกิดจากจิตนี่ยนะก็ะทบกับมหาพุทรูปที่มีใจคลองเนี่ยนะมีการเสียดสีกันในสายเสียงหลอดเสียงเออมีการเปล่งเสียงออกมาอิติปิโสเป็นต้นได้โอ้โหเช่นนี้ เ, นเป็นต้นเป็นไปตามลําดับนะเออ สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยนะก็ต้องมีภวังเป็นต้นเป็นไปมีขันห้าเป็นไปอยู่เกิดเฉวิชาตัญหากามเป็นต้นต่างๆใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมีความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นใช่ไหมเออเนี่ยพิจารณาไปในร่างนั้นเนี่ยเปล่งกล่าวไปด้วยใครควรไปด้วยเสียงเหล่านั้นก็แตกดับไปเป็นไปตามลําดับด้วยมาจากเหตุปัจจัยยังไงเป็นต้นดูนิวจีกรรมเป็นอะไรเนี่ยเป็นภาวนาโกศล ยืนนิ่งๆพิจารณาลุกกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นที่เป็นไปอยู่มาในขณะนี้นะแตกดับไปหมดแล้วใคร่ควรพิจารณาเป็นไปอยู่เห็นเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วมาใครควรยกขึ้นสู่ไต ร, รลักษณ์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นไปอันนี้มโนกรรมเป็นภาวนาโกศล ส, สรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาสรุปบนนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เดินอย่างเงี้ยนี่สติปัฏฐาน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 แต่ก่อนเราก็ยึดครองว่าโลกใบนี้นึกว่าไม่เป็นผลบุญของพระเจ้าแต่พระศ า, าสดานั้นเคยเป็นจกักรพรรดิราชมาไม่รู้กี่พันโกรครั้งพระองค์ก็สละสละสล ะ, ะอันนี้เป็นผลผลพระทานบารมีของพระศ า, าสดาเราท่านทั้งหลายได้อาศัยผลพระทานบารมีของพระศ า, าสดานี้แหละมาประกอบอาชีวะปริสุทธิท์ที่ทั้งเครืทั้งครือัด แล้วก็ทั้งเาทั้งั้งบรนปะชิตพระศ า, าสดาก็เลยตรัสไว้ในธรรมทายาสูตรเลยบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตรงนั้นคำคำนั้นน่ะกระทบถึงภิกษุณี้อุบาสกและอุบาสิกาด้วยเราหวังอนุเคราะห์เธอทั้งหลายแตลว่าอะไรพระศ า, าสดาหวังอนุเคราะห์ทั้งอามิสสมรดกและธรรมะมรดกแกเราทั้งหลายบอกว่า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 เป็นอมิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเจือไปด้วยกินคาวของราคะโทสะโมห oh ะฟุ้งขจรว่งงางั้นเธอทั้งหลายจงใช้สอยให้พอประมาณตถาคตอนุญาตให้กับถ้าเธออยู่ในฐานะบรญชิตตถาคตก็อนุญาตอดีเลกราโพเห็นไหมวิหาโรอัตโยโคปาสาโทฮมิยังครูหานี่พระศาสดาอนุญาตด้วยหมดนะที่อยู่อาศัยที่ไปสร้างกันถวายสงอะไรต่างนั้นแหะพระศาสดานุญาตไว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 เราไม่ต้องเอามาเราจะไม่ติดข้องอยู่แค่อามิสมรดกที่พระศาสดาคายทิ้งและเราจะขึ้นสู่นาวาใหญ่และเข้าสู่พิจารณาวิจัยธรรมมรดกเลยใช่ไหมธรรมมรดกเรามาแยกเป็นโลกิยะมรดกใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นไปในชั้นของทานศีลภาวนายังอยู่ในชั้นของโลกิยะนะที่พยายามวิจัยเป็นตัวอย่างให้ดูตรงเนี้เพื่อจะก้าวสู่โลกุตลระมรดกเราต้องดื่มดั่มโลกุตลระมรดกให้ได้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 ฉะนั้นตรงนี้เราต้องเห็นคุณของพระศาษษษสดาต้องตอบแทนคุณของพระศาษษสดาการเห็นคุณของพระศาสดาตอบแทนคุณของพระศาษษสดาพระศาษษสดาไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรจากเราแต่ต้องการถ้าองค์หาทรัพย์มาไว้ให้เราไงค้นคว้าทรัพย์มาให้เราแล้วเราเป็นลูกเนี่ยความไม่กระตันยูความไม่กระตาเวทีเนี่ยเราเลยไม่มีสิทธิ์รับมรดก